อยู่ที่บ้านก็โดนโบนขาวัดกดนบ่นอยูハハ<า>่ที่บ้านคนที่บ้านก็บ่นกับคนที่วัดก็บ่นต่างกันไงขบวนกันต่างกันนี่คนบนกันที่บ้านขบนเพื่อให้เกิดสัญญาเพื่อให้จันทร์ยังพ่อแม่บ่นรวมตรนี้ทำแล้วทำอื่แล้วทอืน รเราสอนให้จำถ้าราไม่อสอนให้จำคือผนที่บ้า น, นผนที่วัดเนี่ยไม่ได้สอนให้เราจำสอนให้เกิดปัญญาพราว่าฟังแล้วมมาบุ๋มไแล้วฟังมันต้องได้ปัญญาไม่ใช่ได้ของโปวดกลับไปได้คามหลกลับไปได้ควมโลภกลับไป เนเ่นดมตนวันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ทุกครังมีใครมีคิดได้ทีพูดเติมถามความเห็นพมไมไม่ไเห็นเป็นความเห็ น, น<ม>หว่าการจนัพิธีด้วปพิดีกันบางคร<ม>ั้งกันพิธีเกินไปอย่างวันนี้ กว่าจะได้กินตอนนี้ตาเข้าไปเกืบแปดโมงขึ่งแล้วนี่นคือพฤติกรรความจริงถ้าจอแสดงว่าไฟฟ้าจะมาทานสีพุ๊แกนโยมทำเองได้ไหมคือไม่ต้องให้ฟ้าให้ สงสารพระวิสิทธิ์เราสมาดิสมาทานเองได้ไปพร ะ, ะก็สมท า, านสิ้นเลยทาไมต้องบอกสองศารพระจนๆจา ก, ก้็ถึงพระรัตนตรยัยเกิดฝนบุญทํรมประสมหลังจากนั้นพระตั้งต่อพนมือแต่ปนานาหรือปลาตาอย่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะพระต้งพนมมือขอเล ย, เลย เราจะเห็นนะบางวัดถ้าท่านจะไม่ปลนเมืองเวลาให้สิ่งแต่พวกเราอาจจะไม่สังเกตแต่ว่าสนใจการสืบประวัตเลย่ข้าจะปลนเมืองให้สิ่งถึงเราก็ไม่รู้ปัจจิบนถ้าเราคินดีคิดป็นภาษาไทยเร า, า, ม า, า, า, าสญญรมมติว่ากินหน้าทานหน้าจะไปส่งเสริมพระราชชนรักสมอยฉกสิ่งเลวพ้นชีนะ่เขานะถ้าเราปลนเมืองแต่เราทาจนชิงจน เป็นสัญญาคือจ้าแต่มันไม่เกิดปัญญาเลยเลยไม่คือความแตกต่างระหว่างสัญญากับปัญญาคือเข้ามาแล้วจะได้ได้ปัญญาไม่ได้เอาความจำจำเราจำอยู่แล้วสี่ห้าหข้อเนี่ยคนไม่เคยรู้ไม่เคยจำอยัน แ, แต่มันไม่เกิดปัญญากั น, นแต่ที่ต้อการเร า, าต้องทวงนหลังหลังจากชมการทดลอเราสมัครานสี้เนเสร็จแล้ว เรามาทบทวนตัวเองว่าสีห้าข้อที่ปฏิ ญ, ญาณตนหรือ ป, ปฏปิญญารับปากรับคำมีพฤติกรรมสี่ห้านเราทําได้จริงไหมในแต่ละวันนะข้อไหนที่ทําได้ข้อไหนที่สามาได้อีกข้อข อ, อย่างนี้เป็นการสร้างสํานึกสํานนิ่ฐานมันจะเข้าใจว่าเอออันนี้ทําได้เลยอันนี้ยังไม่ได้ทำไม่ใช่ปัญญา อย่างนี้ให้เกิดปัญญาที่นี่เราพูดมาเป็นสิบปีเราพูดเหมือนกันพูดเลงสัญญาต้องยเน้นให้ไม่เกิดปัญญาแต่ไม่เกิดสมมติวันนี้หลวงพ่อพูดว่าทำไมจุงเยอะจังไ ม, มแมลงวันเยอะจังเราก็ไปหลวงที่จุงหลงที่ทมแมลงวัน เ, นะเขาเป็นสัตว์นะเขาพัฒนาไม่ได้เขาไม่มีการเรียนรู้างสราใหม่ๆบอกโอ้ยุ่งมาเยอะแล้วก็ใส่มุ้งลวดไหมอ๋อใส่ใส่ ใ, ใส่มุ้งลวดก็ไปใส่เสร็จแล้วก็ยังเหมือนเดิมเราจะบอ ก, กยังว่า่วนควรจะโทษยุงหรือททษพวกเรา น, า น, นานไงคำถามคําถามก็คือทําไมยุงเยอะจังทําไมแมลงวันเยอะจังนั่นคือ ค, ำคำําถามเป็นประโยคำคำําถามแล้วมีคําตอบไหมคําตอบคืออะไรไมงั้นเมื่อคืนต้องถามทุกวันอย่างเนี้ทุกวันพระยุงมันเยอะจังเ้าก็ไปลงที่ยุงไปลงที่แมลงวั น, เ, ววนเป็น เพราะมันไม่เคยเป็นยังไม่ได้แค่สัญญาถ้าปอาหานวันนี้อ่านเต็มมันต้องมีละอา่านอะไรที่อร่อยไหมอร่อยอะไรที่ไม่อร่อยก็บอกไม่ถูกปากไม่รู้ว่าตอนหยิบเขา้าหยิบเข้าทางไหนเข้าทางจมูกแล้วก็้าทางหูก็เห็นหยิบเข้าปากแล้วบอกอาหารไม่ถูกปากเขาไปโทษอาหาร ถ้าเป็นภาษาเราเนี่ยเลยพ่อคุูหมากรายกูหอยปูปลามันถูกไหมอาหารร้านนี้ไม่อาหารเป็นโทษร้านตอนเป็นโทษคนดูเห็นไหมนี่คืออรามเท่นะที่เราตัวเองเข้ามาเนามันก็เป็นความมีสิทธิใจสูง ต้องมีปัญญาถ้ามีปัญญามันตัง้งเดินทางต้องพิจารณาอะไรต้งเกิดปัญญาแล้วมาให้เกิดการซ้ำสร้างอย่างนี้มันมีการแก้ไขปรับปรุงเมื่อไม่มีการแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมก็ดำเดิมเหมือนเดิมเรจะดูความคิดคำพูดการกระทําซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตเราเราไม่สามารถที่จะแก้ไขปรับตรง ความคิดคำพูดการกระทํากอตัวเองไม่มีทางที่จะเป็นกรรมได้เลยแล้วเราก็ไปโทษกรรมเลยวันนั่งไาเออกรรมของรากรรมในชาติที่แล้วกํามองเรแล้วโทกรรมองมันซึ่งไม่รู้ว่ากรรมมันคืออะไรพราไได้ในบทเรมันคือกรรมก็ถามสัมันคืออะไรพราะามไเข้าใจก็ไปโทษกรรม มันน่าจะหมายเป็นผลของกรรมผลของกรรมถนะ้าใครเป็นคนทำํำเราเป็นคนทําแต่ไปทอดผลของมันหยิบพิกเข้าปาโอเผ็ดจังเลยเราไปโทษเปิดปหรือโทอดพิกหรือไปโทษตัวเองเราไม่หยิบเข้าปาเราไม่เชื่อวมันจะเพ็ดไหมไม่เผ็ดน้เราไม่ทํามันจะเผ็ดไหม ม, ม, มันจะให้ผลไหม ที่เราผู้ดเชาของเราถึงต้องถือเป็นอาชีพยะบุคคลเวลาจะจัดการของคนนี้จัดการเรื่องระบบ ร, ระเบียบของตัวเราแต่ละคนหนึ่งในนั้คือสิ่งที่เราให้ที่พูดไปว่าการจัดการระบบเรื่องวามคิดเนี่ยนะตอ่อคิดที่ปัญญาเนี่ยเลยซึ่งคำพูดคือาจาจะเป็นต้องควบคุมากับครับมันเกีเ่ยวกับคิด เราเลิกไปไปโทษยุงสัญญาเอาไว้แล้วแกไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ตัดไม่ได้เพื่อจงอะไรป่าเราทำไมต้องเห็นเกิดทำไมไม่คิดก่อนทำไมพูดไปคุยตกลงอะไรหตืนเรื่องตอนชุป่าป่านเดียวนีนยาวมันยาวยังไงกำลังรออยู่นี่คือป่า เดี๋ยวไปเก็บนั่งเก็บนี่จ ะ, จะต้องเขา้าปากนี่คือตามถ้าเด็กเข้าไปเสร็จพอเลยลําชอเข้าไปกไ็รู้เรื่องมันรู้เฉพาะข่าวเล็กน้อยเลยไปเดี๋ยวว่ามันเก็ดมันก็ได้องเรื่องหลังจากนั้นไปเข้าไปเสร็จแล้วมันก็ออกมาเหมือนเดิมเว่าจะขอนั้นอร่อยหรือไม่อร่อยอันนี้ วแรกคือกายถ้าเราพูจะไ้นี่ยมันจะได้ประโยชน์ไประโยชน์แค่ตัวกาอย่างเดียวนะตัวกจรอาเปนจริงกจิที่อย่างตรงนี้ถ้าถ้าเอามาตัวเป็นเป็นมโชจะเป็นสินค้ามาโชเป็นตัวยาไปน่าจะ <necessary. S 2> เต็มเลยแ่เต็มหนูเลยปลามจะว่ายกันเต็มกุ้งเทพฯกรุงศรนตู้หัวตู้ฟางอันนี้แค่ตัวอย่างที่ก็เต็มตลาดเลยคนตอนนี้มันมันนอนมีการอะไเราเคยคิดไหเราก็บอกว่าเขาไปจัดไปเลยช้าแต่ลืมไป ก็มีชีวิอยู่เพราะเขาต่อชีวิตต่อหรือตอนถ้ามีขาไก่มีขาหมูกุ้งหอยูปขาชีวิตเราอยู่ได้ไหมไม่ได้สัญญาคือจำว่านี่ไก่มโมอันนีุ้งนนคือสัญญาเลยสัญญาไปคิดไม่ได้เวลาเราออกให้เด็กกินก ขอบคุณข้าขอบคุณข้าบสอนเด็กท น, นี้ก็ให้เราทั้งซื้อไปขอบคุณเขาเป็นที่แรงเร า, าเสียแล้วแพ้แม่ตาสอนน้องแ่งแจกไว้ครัถึงคนทบุญกนเลยเปซตาเนี่ยแพแมตาให้เขาไปบุญจะไ้ดีกว่าแงบุญให้หน่อยเดี๋ยวจะบอกยิธีมาฝาอร่อยแล้วก็จบ นม่นดือแนวนสองคิดามวราอร่อยแล้วจบจบจริงไหมที่ว่าอร่อยจบจบจริงไหมเ้าม่อยู่ในท้องไม่ถึง2ี่สี่ชั่วโมงลังจากนั้นอร่อยไหมนั่นก็ไข่ขอไข่ขขแล้วดิกอไข่ก็คือขอไข่ขออะไรเขาบอกว่าขอคีรดอจากไทย ต้องบปเจอละบัตที่บอกไม่สาพแต่ผมไม่รู้มันไม่ส ภ, ภาพตัวไหนเห็นไหมที่นั่นแหะคือ ท, ที่เรียกว่าอร่อยแต่เราไปไม่ถึงตรงนั้นเราไปไม่ถึงสองอร่อยแสดงอร่อยยังไงที่มันก็ออกเ็นอันนี้สอนให้เรารู้ว่า ทุกอย่างที่ตัวเราเลยมันเข้าแล้วมันต้องต่ออย่าง่อันนี้สิ่งที่สื่อให้เห็นว่าทาไมผู้เจ้าพิทายึพัลงหายใจปุริญญารรู้พลงหายใจอัศะอัศะหายใจเข้าจะไม่มีกํานิดอท้นสึ้น กอว่าเอมันเข้าแล้วพอออกไม่ใช่ดูแค่เข้าออกเข้าตรงไหนเข้าไปแล้วมันเข้าไปถึงไหนแล้วออกมาอย่างไรคือเข้าแล้วออกชื่อก็คือมันเข้าแล้วมันต้องออกถ้าเข้าแล้วไม่ออกเนยุ่งจริงจริงเหมือนนาารมันเข้าแล้วมันต้องออกไม่ใช่ทำไมใช่เพราะฉะนั้นวิจารควรจะเอาตรวนี้เป็นต้นแบบนะ มันเข้าเลยมันต้องออกนเะมื่อไหรจะเป็นความโลภความโรกรธความหลงมัเข้าในตัวเราเป็นจุดนี้แต่มันต้องออกความโรภเกินเข้ามาแล้วมันไม่ออกความหลงธเกิดมาแล้วมันไม่ออกความมั่งเข้ามาแล้วมันไม่ออกเป็นยังไงมันทําลายไปยทปีลความโกรธดูไฟ มั่นฆ้าเรามันต้องออกไม่ครมันเผาตัวเองอันนี้คือนธรรมชาติทั้งตัวเนาะทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้นะนี่คือความเชื่อเชี่ยวของผูเชี่ยวข้าพัญญาของผู้เชี่ยวทุกอย่างชีวิตเราไม่ใช่ว่าตัดสินิรื่องกางขอกคนในฆ่าถ้าเอาแนวนี้เป็นเป็นต้นแบบเป็นตัวตั้งเนียมันก็จะดการตัวเองเป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตประจําวันเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ คิดได้อย่างต่อนห้านี้ในชีวิตมันเป็นเรื่องปกติคือไม่ได้ผิดปกติโอะไรเลยเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งมันเกิดมีจินตกำจังอยู่แล้วจนเป็นธรรมดาแตการคิดได้อย่างนี้นั่นแหละครับว่าธรรมเป็นธรรมะเริ่มต้นจากรู้รู้วอันนี้เข้าอันนี้ออกจนิรรมดาง โดยแบบเดิวเป็นอาหารต่อมาแล้วมันก็เป็นขี้อันนี้นะ่ะเรียกปัญญาเมื่มีปัญญาเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วอยู่ยังไงก็ได้เพราะมันมีทุกวันอยู่แล้วเราจะต้องเจอทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าเจอแล้วได้แค่สัญญาตื่นจาได้ไหมนีม่เป็นปัญญาอย่าลืมว่าของพวกนี้มันไม่ใช่บาคนเป็นเท่านั้นมันไม่ใช่วคนตาย เปิดไม่ได้บอกคุ ณ, คณไม่ไดเอะไรเลยบอกคุณฉันไม่ได้บริการบอกบริการเสล่าบริ่ารสอนไม่จะไปเท่ไหร่ก็แล้วไปวัดไหนแล้วมันตองไ้ปัญญากลับไปมันให้ไปดูว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนู้นคือไปดูคนคือไปดูความดีความไม่ดีของคนไม่ต้องมาวาดไปที่ตลาดก็ได้ไปทุกวันไปต้องดูที่ตลาด หาเจหาแค่แล้วเนี่ยนะดูว่าคนนี้พูดยังไงคนนี้ดียังไงคนนี้ไม่ดีไม่ต้อมาเสียเวลามาวัดธรรมะเลยตคือวัดได้จริงๆวัดอะไรวัดกาโดยได้คือเป็นเื้อวัดวาจาเดได้วัดใจโดยได้นี่คือวัดจริงๆถ้าใครเข้ามาแล้วมันวัดตัวเองได้ นี่คือการเข้ามาวัดไม่ใช่วัดสันติธรรมวัดที่ดูวัดที่ไรอะไรที่เราเรียกกัโดยสมมติเนี่ยเร่องของขอเขตอนาเขตบริเวณแต่วัดจริงๆตัวนี้ปติเทศิลป์เวลาเข้าใจอย่างนี้วัดตรงไหนก็ได้เลยวัดเมื่อไหร่ก็ได้วัดที่ไหนก็ได้แต่ถ้าอะไรยังไม่เข้าใจจะเข้ามาวัดหรือยั กมารก็มาเพรานันเป็นนีุ่นเรากมามธุรกิจธุรกิจอะไรดมวยไหมยืมตังตังเพะบอกว่ามัมีธุรสิจเย์ืยมตังแลก็เดืนดร้นจะเป็นอย่างนี้เลนะ ไ, ไม่มีประยชน์ที่เป็นสังเระเล ย, เลยอันนี้อันี้คือแกบฝาพวกเราทุกคนพเพราะว่าอะไรมันแค่เข้าไปตังเลยแล้ เราจะได้นําสิ่งเหล่านี้มาอยู่ในกระบวนการความคิดอย่างจริงจังในสามเดือนนี้อย่างน้อยที่สุดถ้าเราทําเพื่อลงมือทำอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก็จะเป็นระบบความคิดคำพูดคือการกระทําถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแน่นอนนั่นนี่คือการแก้กรรม คิดแทนจริแต่แค่ยังคิดเหมือนเดิมหมายก็คิดคิดไม่ดีคิดเหมือนเดิมคิดร้ายคิดเหมือนเดิมพูดพูดไปดีเหมือนเดิมตามไม่ดีเหมือนเดิมการกระทาเหมือนกันแต่ยกมือช่วยหมขอให้พระเจ้าอยดีที่สุดขอให้ข้าพเจ้ามีมีสุดมันได้ไหมคือที่เองไม่ยอมเปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมคืยังทําเหมือนเดิมแต่ยังได้ของใหม่พูดยังไง มันเปิดไปได้ไหมไม่ได้ม่คือเราแต่การระหว่างสัญญากับปัญญางนั้นอย่างพวกเราทุกคนเข้ามาแล้วท่านปัญญาไม่ได้แค่จำบันนี้โอ้แต่าว่าโอ้หลวงพ่อเทศดีเนาะใช่พราหลวงพ่อก็ไม่ได้ด่าใครเขพูดดีหมดทุกคำทุกคำดีหมดเทศดีก็ราะไหนก็เทศดีหมดก็ไม่ได้ด่าพวกเรา พ, พูดดีแต่ว่าพูดดีแล้วก็ได้เป็นอย่างนะมันเกิดเป็นอย่างนะอะไรดีมาดีมันก็ไปอันนั้นหำคัญถ้าเราพูดดี ด, ดีดีได้เป็นอย่างให้พวกเราแช้ขอที่มีอยู่นี่แหละดึงเดิมๆไ ม, ม่มต้องทำอะไรใหม่ดีทั้งหมดทั้งหมดเคยมีเคยเป็นรูปร่างกายอูตาจมูกแสนขาตาจมูกอันเดียวปันนี่แหะแดบไปแดบมาเห็นมันไม่มีอะไรใหม่นะ ทำสิ่งเหล่านี้เพื่อให้พฤติกรรมเปลีแปลงไปทางที่ดีขึ้นอาจึงเรียกว่าบวกไปนั้นจะคิดอะไรต้องบวกจะพูดอะไรต้องพูดเรื่องบวกทําอะไรเรื่บวกบวกก็คือเพิ่มแต่ขอม่ควรจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตรงกัทํารล็อกคิดกับคิดไม่ดีล็อกพูดกับพูดไม่ดีล็อกคามกระทํามันกลายเป็นแล็อกจนไม่มีใครอยู่ในใจ ไม่มีใครเข้าใกล้ก็คือไม่มีเครดิตเลยสิดผมคิดอย่างนี้นะ ม, ม, ม่มีใครเชื่อผมคิดว่านี่ไม่มครเชื่อทําอย่างนี้นะม่มีใครเชื่อสุดท้ายก็คือไม่มีเครดิตัหละอันนั้นคือล็อคนั้นอยู่ที่เราเราจะบวกหรือลบก็ตามระรมาาดับตัวไม่เปานเจลาติงทุกวันคือต้องตนวสินั้นแหละ วันเราจะเห็นบาทวันนี้เราบวกดูเรามาก่อกันวันนี้กระเป๋าว่าสตางเราเนี่แหละเช็ครวังวันนี้มีมีร้อยมีพันพรุนี้ลดลงมันลกามันเพิ่มขึ้นมันก็บวกถ้ามันไม่เพิ่มมันก็ลดลดลดลงจากร้อยถึงเก้าสิบเจ็แปดบาทจนศูนบาทเราไมาทำเงินเพิ่มความดีเหมือนกันถ้าเราไม่เพิ่มเลยจะคิดว่าเราดีอยู่แล้วอ่ะ แต่เราไปเพิ่มเติมเึิ่มอีกให้มันดีกว่าเก่าให้มากกว่าที่เก่าเกานั่นเป็นสิ่งที่ป้าหมายของเรามีการกระทําในการปฏิบัติแทนตัวฝา่งพวเราทุกคนเพื่อเป็นแนวอย่างว่าจะเป็นหลักเลยวหลักหลักพูดหลักทำจะทําอะไรให้มีหลักมันมีที่กาเอาไว้ไม่ง้นมันรอยเมื่อมันรอยก็แปลว่าอะไรไปเรื่อยอยากคิดอะไรเก็คิดอยา่พูดอะไรก็พูดแต่กทำอะไรก็ทําต่ก็ไม่มีหลัก เล้วก็เจดียที่ใช้ตัวเกว่าอุบาตกอุบาสิกาซึ่งมันหมายความว่าผู้เข้าไปนั่งใกล้พัตนากัรนั่งใกลต้ตัณใจใกล้พระพุทธเจ้าใกลรร้ประทังใกล้ะสมคนนั่งใกล้กันมันต้องเห็นกันก็เห็นคุณค่าเพะอุบาสุกอุบาสิกาที่แท้จริงต้อใกล้พัฒนาตาัณใจต้องเข้าใจ ต้องเห็นต้องรู้เห็นไม่ได้เห็นคุณค่าแต่ต้องเป็นประโยชน์จะได้เป็นคุณค่าในงั้นแค่ปริยัติตนนะครับพระเจ้าเหมือนเมื่อกี้นะไปพะแล้วสมาทาเสร็จแล้วกลับแล้วกันไปกลับไปกันใดกันเมื่อเดิีประโยชน์อะไรจะาให้พวกเราเพื่อนเนี่อย่างนี้ในชนวิตในชีวิตจันอิญแล้วเราจะเห็นความเปลี่ยนแปงวชีวิตเราหรือข้าัไหนก็ได้ หรือไม่ทำก็ ไ, ได้ถ้าเราทำอะไอย่างนี้ป่าเ น, นี่ยเป็นแนวป่าพวกเราก่อนที่เข้าภาษาศการนี้ให้โภไคยพิโภคือน้องป่าตัวเองแล้วก็ ป, วประโย็น์แลประโยชน์แต่กันเข้าว่ายริงแท้จริงในง่ายๆก็เป็นพิธีปันหรือเขาเป็นพิธีนนธอะไรเฉยๆไปจะไม่ได้แอนุัมทนาความดีเจ้าภาพเป็นภจ้าป่าก็ดีตอนนี้ได้ยินเสียงแล้วเจ้าภาพทื่ อย่ังนม่ถึงคุอุูขของมันต้องหลุคือพราแม่ปู่ย่าตายายมีุทประคุณพระครูลุงลุงล้นมาถึงอาแา่มาลที่ยอมรับไปแล้วมันมาส่งผให้แบบเรียบง่ายๆนี่คือวัดคือป่าป่าบุญมัต้องง่ายมันต้องด่งามอันนี้ครูในสอนที่ไ้รับคือให้เข้าไปตารแล้วให้เราเตรียมเตรียมกายเตรียมใจเตรียมใจ เพื่อจะได้สิ่งที่ดีๆรับสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตวชีวิตของเราจะมีไปได้กี่วันไม่มีใครรู้อยู่ได้กี่วันไม่มีใครรู้งั้นเรื่อเวลาที่ยังมีลมหายใจอยู่ก็พยายามทําให้มันมากที่สุดเท่าที่จะมากได้แลว้วก็ได้เท่าไหร่ก็ทำตามที่เราทําแต่ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยกลับไปมือปล่า ไม่ถึงร้อีคนเราตอนนี้เราสี่สิบห้าสิบหกสิบเกินขึ้นทางกันแล้วหลายคนมันค่อนข้างทางกันไปเลยฝ่าทางกัแล้วเราก็จะไปมือปรับเมือนเดิมก็คือไม่มีทุนไม่มีทุนที่เดินทุนค้าขายโดยไม่มีทุนคุณค่าขายยังไง ร, รู้ว่าขายของเนี่ยมันดีแต่ไม่มีทุนกูจะเอาไปไหนจะขายสุดท้ายก็ข่ดทุน ดังนั้นอย่าให้ชีวิตของเราขาดทุนไหนๆเราเจอพุทธศาสนาแล้วชีวิตที่ไม่ขาดทุนคิดที่เพิ่มทุนทุนไม่ตามพุทธศาสนาไงมากไม่ต้องลงอะไรเลยใยพราสมาสารสิทธิ์ักษาสิ น, ววนสมาธิเขานาลงทุนกี่บาทนะไม่มีโซนย้บาที่คือความน่าอาศัศจรรย์ซึ่งแต่เรางลงทุนอยู่ต้องใช้ใช้สตางค์แต่นี่ไม่ต้องลง อในป่าของเราทุกคนนะครับชาววันนี้